สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตทั้งที่เ้าเรื่องอยากได้ปัญญาพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมคํามัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทําหูของเจ้าให้ผึงเพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออท่านเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจท่านเจ้าแสวงปัญญาดุดหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและความรู้ของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ในสุภาษิตบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าแบบเมื่อวานนี้แต่หัวข้อเปลี่ยนไป หัวข้อในเช้าวันนี้ก็คืออยากได้ปัญญาทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรเมื่อเราอยากได้ปัญญาประการแรกครับอยู่ในข้อที่หนึ่งพระเจ้านักของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สองข้อที่หนึ่งบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้าในข้อที่หนึ่งนั้นเราเห็นว่าพระเจ้านัของพระเจ้าได้สอนเรา ให้เราตีคุณค่าปัญญาให้สูงไว้นี่คือเรืนองการแรกครับถ้าเราอยากจะได้ปัญญานั้นเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราให้เราให้คุณค่าปัญญาให้สูงเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญญานั้นจะทําให้เรามั่งคั่งร่ํารวยทางด้านฝ่ายจิตจิตญาณและทางกายภาพเช่นเดียวกันครับเมื่อเรามีปัญญา เราก็เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสาเหตุที่ทำให้โซโลโมอนนั้นได้ถูนขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการที่จะครอบครองในการที่จะดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะบริหารประเทศและในเวลาเดียกันเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้ยำเกรงพระเจ้าเขาต้องขอปัญญาเพราะฉะนั้นเขาตีราคาปัญญาไว้สูงมากครับนั่นเป็นประการแรกเห็น คุณค่าของปัญญานะครับเห็นค่าของปัญญาเห็นค่าของพอร์ชนะเห็นค่าของคําสั่งเห็นค่าของธรรมบัญญัตินี่คือการเห็นคุณค่าครับประการที่สองครับอยู่ในข้อที่สองกระทําหูของเจ้าให้ผึงเพื่อรับปัญญาการกระทําหูให้ผึ่งนั้นหมายความว่ามีใจจดจ่อครับ Captivate ภาษาอังกฤษเท่าก็ก ate, c a p t i v เ t e C A P T I V A T E เพราะฉะนั้นเราต้องเอียงหูก็คือมุ่งความสนใจหลังจากที่เราตีราคาให้คุณค่าปัญญาสูงส่งแล้วเราจะต้องมุ่งความสนใจโฟกัสและจดจ่ออยู่ที่พระเนะของพระเจ้าก็คือเป็นที่มาของปัญญาธรรมบัญญาต่างๆที่เราได้อ่านได้เรียนได้รู้เราจะต้องสนใจสนใจ มุ่งความสนใจเพ่งในสิ่งต่า น, นั้นประการที่สามครับเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจคำว่าเอียงใจนั้นในภาษาอังกฤษหรือในภาษาเดิมนะครับใช้คำว่า apply apply แปลว่าอะไรครับ apply แปลว่านำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ครับก็คือการประยุกต์ใช้การนำไปใช้การประพฤติปฏิบัติออกมา และในที่นี้ใช้คำว่า apply your heart แปล ว, ว่าเอียงใจของเจ้าเอียงใจของเจ้าคำว่าใจในภาษาฮีบรูหรือคนฮีบรูคนยิวนั้นมีความหมายอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือความคิดและอารมณ์ครับคำว่า heart หรือใจนั้นมีความหมายว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นใจนั้นเป็นศูนย์กลางของความคิดการให้เหตุผล การใช้เหตุใช้ผลใช้หลักการต่างๆและในวิเดียอกันนั้นก็รวมไปถึงความรู้สึกอารมณ์ความตั้งใจพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากการนำไปใช้นั้นมันจะต้องเกิดจากความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกการให้เหตุผลและความตั้งใจเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างนี้ครับจะทาให้เราสามารถที่จะรับ ปัญญาได้อยากจะได้ปัญญาใช่ไหมครับจะต้องมีสามอย่างนี้ผมจะขอทบทวนนะครับหนึ่งเราจะต้อง value คือตีราคาปรับเปลี่ยนทัศนคติตอของเราตีราคาปัญญาให้สูงครับเพราะว่าถ้าได้ปัญญานั้นเท่ากับเราได้ทุกอย่างประการที่สองก็คือเราจะต้องจดจอ่อหรือแคปทีเวตจดจ่อโฟกัสมุ่งเน้นนะครับให้ความสนใจพุ่งและเพ่งไปสู่ เรื่องราวของปัญญานี่คือการเอียงหูประการที่สามครับคือต้องเอียงใจเอียงใจก็คือว่าเราจะต้องแอพพลายนะครับหรือปร ะ, ประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆที่เราเองนั้นได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้สิ่งต่างจะต้องเกิดจากหัวใจครับหัวใจก็คือความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและความตั้งใจนั่นแหละครับ จึงจะได้มาซึ่งปัญญาคืน้่นครับปัญญาคืออะไรครับปัญญาก็มีความหมายก็คือเราจะต้องมีความรู้เราจะต้องไฝ่หาเสาะหาสะแสวงและในข้อที่ห้าครับนั่นจะเป็นคำอธิษฐานในที่ข้อห้าบอกว่านั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและ พบความรู้ของพระเจ้าที่า น, นครับห้าข้อที่ผ่านมานี้โดยพระหญิงในข้อที่ห้านั้นเป็นเหมือนกับหลักประกันครับถ้าว่าเราทำสามอย่างแรกที่ผมได้กล่าวไว้เราจะได้เข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าและนี่คือเป้าหมายในการอธิษฐานของเราว่าอยากจะให้พวกเราทุกคนครับที่จะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและ พบความรู้ของพระเจ้าพี่น้องครับมีคามีคนที่กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้สง่สงส่งพระปัญญาของพระองค์มาหาเราแต่พระปัญญานั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้และขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้เราเรียนรู้ พระปัญญาของพระองค์ก็คือตัวของพระองค์เองหรือพระองค์เองนั่นแหละทำให้เราจะต้องกลับมาดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นได้ให้คุณค่าพระเยซูให้คุณค้าพระเจ้าอย่างสูงหรือเปล่าในขณะเดีวยวกันครับเราเองนั้นได้จดจอ่อได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงและเราเองนั้นได้เชื่อฟังด้วยหัวใจของเรา ด้วยความคิดเหตุผลความตั้งใจแรงจูงใจของเราอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นเทให้กับพระองค์เมื่อเราเทให้กับพระองค์นั้นแน่นอนครับเราจะพบกับพระเจ้าเราจะพบกับพระปัญญาเราจะพบกับครูที่ชื่อว่าปัญญาและเราจะพบกับความรู้ของพระเจ้าและเข้าใจความจำเป็นพระเจ้าว่าคืออะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราครับการได้รับปัญญานั้นไม่ใช่เป็นงานอดิเรกครับ แต่การได้รับปัญญานั้นมันจําเป็นที่จะต้องเป็นวิ น, นัยในชีวิตประจําวันของเราตลอดไปพี่น้องครับเราพอใจต่อการเติบโตของจิตวิญญาณของเราในทุกวันนี้หรือเปล่าไม่น่าแปลกใจนะครับที่ผู้คนนั้นบริสุทธิ์น้อยลงดีน้อยลงพึ่งพาอาศัยได้น้อยลงไว้วางใจได้น้อยลงอันนั้นเป็นคนของโลกแต่เราเองนั้นซึ่งเป็นคนของพระเจ้านั้น เราจะต้องบริสุทธิ์มากขึ้นเราจะต้องสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้มากขึ้นเราจะต้องชื่อสัตว์ตวมากขึ้นเราต้องรักษาทางของพระเจ้าให้มากขึ้นและเราต้องเชิญชวนให้คนมากมายเข้ามาอยู่ในทางของพระเจา้ามากขึ้นเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของศัตรูที่ซุ่มโจมตีระหว่างทางเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานของเราได้อยู่ในความเสี่ยงที่จะทาให้พวกเขานั้นไม่รู้จักกับพระเจา้าและออก ออกหากจากทางของพระเจ้าและในที่สุดนั้นก็จะหลงออกไปและไม่ได้อยู่ในทางของพระองค์อีกต่อไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้มแข็งขึ้นในการที่เราจะแสวงหาในการที่เราจะจดจอ่อในการที่เราจะยกปัญญาขึ้นอย่างสูงและพันปัญญานั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้ที่ทำให้เรารู้แจ้งอามน